ขราวัาช ก, การกระจายสงครามมาจากเผยเจดาจังหวัดมหาส า, ารคามเพื่อความมรลบต่อหมสงทุกทุกโลกเจริญหวนญา จ, จมทุกคนเราก็พบกันในตอนเช้าตอนกลางวันก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมไปพบกันเท่าไหร่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 พอจะรวบรวมมาพูดสวดฟังเพื่อการต่อยอดให้กับผู้ปฏิบัติั่นเองก <c oughs> <c oughs> ารวิธีเรียนนัดใช่นิดหนึ่งการฟังธรรมเนี่ยภา้ปฏิบัตินี่ย้าอย่าไป หาคำตอบจากความคิดคิดอะไรเอามาถามผู้ว่าอาจารย์มันดั่จะเป็นความจริงเสมอไปถ้าจะมีคำถามก็มันเกิดขึ้นแจ่ตัวเองก่อนไม่ใช่ความคิดภาวะอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราปฏิบัติธรรม ทำยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังไม่ได้คำตอบก็ออย่ารีบร่วนไปถามบางครั้งเราปฏิบัติไปเจลิ่อนิไปมีติเป็นตัวย่่งยืนเป็นฐานไว้มันอาจจะได้คำตอบโดยต้องไม่ถามครูอาจารย์ก็ได้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 มันมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกไว้ก่อนเอาตัวลูกเฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทำไปวันสองวัยมันก็ได้คำตอบออกมาไม่ต้องถามครูอาจารย์เลยประสบการณ์หมดเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากคนอื่นถามคนอื่นถ้าถามคนอื่นแต่จะไม่ลงตัวเท่ากับเราพบเห็นเข้ากับตัวเอง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 ไม่ไม่ต้องเราไปเลยมีสติสมัมปชญญะต่อไปต่อยอดไปเลยไม่ต้องมามองหน้ามองหลังอะไรวันไปไดยแล้วมีสติก็ไปได้แล้วเมื่อมเกิดอะไขึ้นเกิดความรู้บ้าจนยั่งไม่อยู่โดินจะโกงโกนเดินแสดงธรรมนั่งสร้างจั๋วะ้อแสดง ไม่เดหลังไหลออกมาในญาณในปัญญาต่างๆถ้าเราไปเป็นผู้รู้ก็หุ่มไปในใจในความรู้ที่เราเห็นเราพบเห็นนั้นถ้ามากเข้าไม่มีสติเผลนไปกับความรู้มันก็ <c oughs> กลายเป็นวิปจจนเสียเวลาไปบางทีก็บางคนอดไมได้ <c oughs> ไปสแสดง มันไม่เยี่ยง่ความรู้ที่เป็นวิปจสนมันหมดเป็นเมื่อมันหมดเราต้องต้องต้องตั้งต้นใหม่บางคนก็เสียใจเสียดายให้มันเป็นวิปสตูเฉยๆฉยไม่ใช่เรื่องบัญญาอันเกิดจากเหตุผลต่างๆในการทำความเพียรของเรามาเกิดขึ้น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 ทำไมจึงหลงล่ะถ้าจะถามว่าเพราะไม่มีความรู้ทาไมจึงไม่มีความรู้ล่เพราะไม่ได้ประกอบขึ้นมาทำไมไม่ประกอบเพราะเพราะหาเวลาไม่ก็ไม่ก็อยู่ไปไมันก็อยู่กับตัวเราเวลามันหลงไปหาเวลาอะไรตรงไหนก็ปอมันตรงนั้นเลยเพราะมันหลงกว่ารู้ทันที <c oughs> ใช่ไหอ <c oughs> ไม่ต้องทำไมทำไม เราะมันหลงก็รู้ทันทีอ่ามันลู่เวลามันหลงไม่ประโยชน์เพราะมหลงก็ถูกปราบลงแล้วขั้นที่หนึ่งขั้งที่สองขั้นที่สามเหมือนรถแท็ตอร์ปราบทางขึ้นเขารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเา ก, กายเป็นทางเรียบคนก็เดินได้รถสี่รอบหกรอบก็วิ่งตามไปได้ แต่ก่อนทักเตอร์ตอนนั้นตตะคาบตอนนั้นที่ผ่านไปได้มันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีหรอกคุกค่ะมันหลงแรกหลงอีกเรื่องเก่ายังก็มอหลงอีกเรื่องเก่ามอทุกอีกเอ๊ะมันเมือนตร่มันทําไมมันไม่ผ่านไปไหนยังอยู่ตรงนี้หรือจะไปเอ๊ะใช้เรามีสติเรื่อยไปมีสติเรื่อยไปถ้า ตัวนี้ได้แล้วอันหนึ่งก็ค่อยสงบลงมากชิดความลังเลยสงสัยความวิตกกังวลความโ่งหงอหอนความคิดผุ้งสานามานาติจิกรมมาลาคะปฏิคะเคยคินยังไงก็ค่อยหลดอายระบัดหายสติว้วบาไม่สุขสนเหมือนเมื่อก่อน แล้วก็มันสุขสนมาถึงปุ๊บทันทีเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปับ๊บทันทีเกิดความรักมาถึงปับ๊บทันทีเกิดความ่างพอใจไม่พอใจพอเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติทันทีเลยสงบลงก็ผ่านไปผ่านไปก็ง่ายขึ้นง่ายเกินง่ายที่จะรู้แล้วก็มันง่ายที่จะหลง เพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มีแต่ลูกเฉยๆมันหลงก็ลูกมันลูกก็ลู้ไม่เคยลูกจริงๆตรงที่มันหลงเหมือนกับเราละย้ยงมันเก็บออมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกจริงๆเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่อนลูกร้องให้แม่ผู้เลี้ยงลูกก็ดูก็เอาหูฟังท้อง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 ตัวยังปกติอยู่ขายังอุ่นตัวยังอุ่นพอดีพอดีไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปหัวก็พอดีอาจจะเป็นมดละมั่งกัดเปิดขาเปิดไ ป, ไปมาเห็นหมดตะหนอยกัดลูก <c oughs> แม่ก็หยิบมดดอกโอ้ยมั่นใจแน่วแนะน่นี่ทำให้เราลูกเจ็บก็โอ้ยมันพอใจเอามดตนอยออกจากลูก ที่มันกัดลกูกพอเมื่อตออกก็ขมิ้นฉันไม่ทาลูกก็หายลงแม่ก็ได้ผลเหรียนตรงนั้นด้วยเลี้ยงลูกหนึ่งคนได้เป็นญาตีลูกคนได้สองเป็นยาโทลูกคนที่สามเป็นญาเอกใช่ไหมก็จำนานด้วยเพราะอะไรเพราะผลเหรียนการเลี้ยงลกูกเวลาอะไรเกิดขึ้นเอามาให้กูแม่เขาพูดอ แล้วคนอื่นร่วมลูกว่าลูกร้องให้แม่ก็เอามาให้กูเอามาให้กูพ่อแม่มาอุ้มลูกก็ดูลูกหัวลูกขาลูกก้นลูกขาเอากินจุยอนองร้องให้มาก็หายร้องนั่นเองแม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงลูกไม่มีทางที่จะเป็นเือนไปได้อันตัวเราแท้เนี่ยไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ย อะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่สุกข์ไม่โนมันโชว์ให้เห็นอยู่ก็ขึ้นมาเลยไม่ใช่สติถ้าเรามีสติเป็นเจณ์แล้ววัดแล้วอะไรมันไม่ใช่สติมันก็รู้ทันทีเอาสติไปดูไปเลวไปสร้างสติต่อไปเรื่อยอย่าไปสอนใหญ่การที่ประกอบความรู้มันมีพร้อมวัตถุปัจจัยต่างๆสามารถที่หาได้ทุกกรณี ในการสร้างความรู้จากตัวนี่ว่าจะเกิดอตัวเบาตัวลอยปีติขนพองสยองเขา้าขนลุกท่วมตัวอะไรก็ตื่นไหวกันไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลาพระตีะระขังไปฉันน่ะตั้งตั้งใน ต, ต, ต, ตาเห็นอยู่ว่าตื่นตกใจตึ๊บ น, นี่ยอา้าวมันอะไรไมาเป็นเนียอะไรอะไร อะไรลรอไปถามแตงก็ไม่ใช่คำถา ม, ถามก็ทำนาใจมีความรู้จักตัวมันระวังเกินไปมันก็ก็ตื่นง่ายก็เลยเป็นคนว่องไปจะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันพยศไปเลยอะไรก็ตกใจเทียมคาดเทียมไถเตรียมเวียนก็ไม่ได้ก็เลยต้องขัดไปค่อยไป อย่างสุขขุมพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ลี้ลับนะไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งอันลึกลับมันมันสัมผัสไม่ได้เหมือนอะไรที่เขาสอนเรื่องลึกลอบเห็นนั่นเห็นนี่ลึกลับไม่เห็นได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันลึกซึ้งเห็นได้ทุกคนที่มันเกิดกับตัวเองเรียว่าลึกซึ้ง คำพิรภาพงดงามจำได้วันหลงก็รู้ชื่นใจเวลาวันหลงเรามีความรู้วันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลาวันทุกข์รู้สึกตัวนะมันลึกซึ้งคำพิรภาพป้อนโยนไม่ใช่เฉิงเกล้าพระเจ้าตัดออกมาคำใดดูก่อนดูก่อนเพราะที่สุดเลยดูก่อนนน กันเลียนมิดวนดีมิต ด, ดีไม่ใช่ธรรมดาภาพไปทั้งว่าถึงผลได้ดูก่อ น, นอนนลดูก่อนอดูก่อนปัจญาัชีดูก่อนพรามลึกซึ่งลึกงดงามความเีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งเก้าเกินไปเป็นเครียดเกินไปพอใจไม่พอใจมันแข็งเก้า อย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัดประตูเหล็กเปิดได้เออเปิดเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหมเปิดได้ปิดด้วยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อมือนตามเขียนไว้เหมือนกันเปิดแล้วปิดทันทีเปิดแล้วปิดทันทีเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ปิดจริงๆะไม่เด็ดขาด อันลอนที่โุโกโตเลยเปิดได้ปิดด้วยไม่เด็ดขาดเลยเขาก็เลยปิดจักดจ๊กทีโอทูวัตไม่ปิดจั๊กทีนี่มันที่บนทางนี้ครับ น, น, น, นั่งวันนั่งเลยครับโอ้เพื่อนเรามาแล้วมิดไปแล้วครับอาจารย์สองครามพระเถระครับครับอนุอนนั่งเลยครับมาแล้วเพื่อนเรามาแล้ววัดเราบ้านเรามาบ้านทังท่านนะไม่ใช่มา ที่ใดงานพ่อเราแต่เมื่อก่อนคนไปพ่อข้าทำมาซื้อขายจะไปพักที่ไหนไปบ้านนั่นไปพักบ้านญาติของพ่อบ้านญาติของพ่อคือบ้านไครล่ะเอาวัดกันล่ะเป็นญาติของพ่อ <c ười> คนพ่อข้าคนไปหาขายสิ่งขายของไว้ซื้อกว่าซื้อกว่า ให้ญาตพี่น้องก็ไปบ้านไปพักบ้านญาติพ่ อ, พอคือไปพักที่วันไม่มีอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าอะไรแต่ที่บางวัดเขาขึ้นปนะ้ายนะถ้าญาติมาพักที่วันอนะไรค่าด้ำค่าไฟเอาแล้วสิบบาทยี่สิบาทนะ้อห้ามเขียนเด็ดขาดที่โชโกโตะเพราะไปบ้านของเรา <c oughs> อ้าว oh. เป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมีเบิดกันอันที่มันเกิดอันที่นิมิตไม่มีทุกคนจะไปอยากมีอยากเป็นผลพองสองเข้าตัวลอยขึ้นตัวเบาขึ้นการละหตาจิดละหตาเบาว่าไปเป็นผู้เบาบางทีไปกระโดดหน้าผาตายก็มีมันป่วย ลองตาไปเห็นอ่าไอ้คอนสารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยป่าที่ใดถ้ำที่ใดเขาที่ใดชอบชอบเมื่อมองเห็นพูกเขาคิดจากไปนั่งยอดเขาสมัยเป็นนมนะ้ำตะเกียตะกายไปเลยเป็นยอดเขาโอ้น่าจะนั่งดีแท้ตอนนั้นก็พรากฏว่มีผู้ไปนั่งเขาถามชาวบ้าน่ะมีพระตกหน้าผาตาย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 ก็เออจากหอจากผู้คนนี่ไปรู้นั่นมันก็พอไปถึงวันดีพยวก็อาจะหอไปเหาะไปวันเดีก็โดดไปก็ตกหน้าผาตายเป็นไปได้มันเบาตัวเบากาย ม, มยาีบางงานบางทีเดินจังกรมเนี่ยไม่เหมือนกับเหมือนกับไม่ได้เหยียบเด่นเลยเนะบาไปเป็นผู้เบาเอโอ้แล้วก็ไปชุกจนกับเรื่องนั้นนะ่น ก็มารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอยาไปเป็นผขบวนจึงเห็นมันรู้สึกตัวมันกินเรื่องลายตัวเองก็อิม่มไม่ต้องกินข้าวโอ้ถ้าเรามากินข้าวอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนเราก็มีอ้าวเพื่อนเราจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นว่าฉันข้าวนะสองวันก็ไม่เห็นสาวันไม่เห็นแล้วไปไหนล่ะเอ้า ไม่เห็นได้บอกไปไ่ะเวลาเราจะไปไหนต้องบอกกันทำไม่ได้อันนี้มเห็นบอกต้องไปถามหาา้นวายกันพอไปถามหาเรามันเกิดเรื่องกันเราเสียเวลาทำให้เกิดปัญหาแก่เพื่อนถ้าเราไม่ไปฉันเข้าก็มีปัญหาอย่างนี้แน่นอนอยากก็ถึงเวลาก็ไปฉันวางให้เพื่อนเห็นหน้าทุกวันก็อย่างดีถ้าจะไม่ ไปให้เพื่อนในหน้าก็บอกนะถ้าไม่มาฉันถ้าเกินเจ็ดวันไปดูด้วยวันที่ก็บอกเนี่เพราะมันไม่หิวจริงๆนะอไม่ได้ดอกเจ็ดวันบางคนต้องตายแล้วไม่กินข้าว <laughs> เพื่อนก็ไม่ควรที่จะเป็นถึงเจ็ดวันถ้ามาฉันจริงวันหนึ่งก็พอไม่ต้องเจ็ดวันสองวันหรอกพอแล้วอ๋อ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 บางทีมันอาจจะหน้าเนี่ยเหมือนกับน้ำริน ล, ลงมาใส่มันชื่นมันกอมยิม้มไม่อยากจะยิ้มก็ยิ้มในใบหน้าสังเกตุนะมันมีปิติมากทีเดียวมีความสุขมองอะไรนะโอยปิติไปทั้งหมดเลยเสียงมดเฉามาแรงก็สนุกสนาน เสียงสงบก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากมองละไรไดีปิติทุกอย่างลลมหลับเริมนอนอิ่ม อ, อกยิ้ใจตลอดเวลาเพราะเห็นรูปเห็นนามกนะ็ยเปิตแล้วมีเหมือนกันก็ อ, อยากไปคลองแวะกับมาเห็นเนี่ยก็เลยสรุปให้แบบกรรมือเดียว เพียงแต่เห็นมันรู้มันเรียกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ลาบไปแล้วอะไรที่มันเข้าไปรู้เลยมันลาบไปลาบไปจะเป็นนิวรณธรรมปิติปัจจิจินตญานวิปัจจุบันกิเลสทั้งหลายมันจะลาบลงลาบลงอันที่เป็นราคาโทสาโมหะของโลกกดหลงก็ลาบลงไปด้วยก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ปกติ มั่นคงเข้าหน้าไปปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นเกับขณะที่เราปฏิบัติถ้าเรามีสิมันจะรู้นะถ้าเราเข้าไปเป็นมันจะไม่ค่อยรู้อะไรมันจะไม่ค่อยได้บทเรียนบทเรียนที่มันเกิดให้เรารู้เรากลายเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันเมื่อเราไม่รู้ไม่ชี้ไปสอนคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ชี้ให้คำตอบไม่ได้อาจารย์สงครามมา ก็ให้ไปสัมผัสกับญาติยอมนักปฏิบัติตัวก่อนเพื่อจะเอาคาเอาข้อมูลที่จากการปฏิบัติของผู้คนแล้วนามาพูดมาสอนให้บอกต่อกันคนหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งไม่เป็นอย่างหนึ่งมาเป็นคำพูดเดียวกันเราฟังเวลาที่ได้ขณะเดียวกันได้บทเรียนมากมายนี่การสรุปการอบรมการสอนธรรมะ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 ผู้ปฏิบัติเป็นปัจจุบันข้อมูลที่เกิดจากผู้ปฏิบัติที่เรามาสอนวันนี้นั่งอยู่นี่นามาพูดเรื่องคนนั่งอยู่นีให้เขาได้ยินข้อมูลปัจจุบันของเขาคนที่ไม่มีข้อมูลก็จะได้ฟังเขาจะได้รู้ได้บทเรียนเรื่อยไปมันจะเกิดผลเดี๋ยวนี้นักสอนธรรมะแนวนักพูดเง่งๆจำมาอ่านมาบางทีขยาย ลำพองออกไปในบ้านโน้นคนฟังอยู่นี่ไม่รู้เรื่องเลยขึ้นลำพองใหญ่สูงเข้าไปในบ้านเจ้าหนูขู่ชวบ้านเขาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดไปโ น, โน้นไม่ได้พูดให้คนนั่งอยู่นี่ฟังแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลพิธีปฏิบัติธรรมที่ให้ได้ผลคือเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาแสดงทุกวันทุกวัน นี่หลวงพ่อหลวงตาพูดนี้ก็ได้ข้อมูลอย่างนี้มาไอ้ใช่อยู่ๆจะมาพูดเลยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยพอที่จะรู้อย่างทุกๆุกอย่างในความผิดความถูกเวลาผู้ปฏิบัติถามจึงเป็นสาคุลเป็นสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะสูตรของเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยอเดินสูตรที่สมสมูลสมควรที่จดลอย เราจึงต้องฟังดูก่อนอย่าเอาความชอบเอาความไม่ชอบเป็นการตัดสินอย่ามาเชื่อเราคําพูดของเราวันนี้ท่านไม่มีก็อย่าเพิ่งปเสเสธคำพูดของเราวันนี้ ท, นนนท่านเกิดขึ้นแก้ปัญหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ทําดูก่อนเอารู้ไปดูก่อนรู้ไปก่อนกลับมารู้ตัวเองไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้คําตอบอย่างชัดเจนเอง อย่าด่วนรับอย่าด่วนไปเจตคือคุณค่าของสติปัญสัมปชัญญะถ้าด่วนรับด่วนไปเจตไม่ใช่คุณค่าของสติสัมปชัญญะเลยทีเดียวเราจึงศึกษาเนี่ให้แยบคลายในการปฏิบัติแม้จะละเอียดแม้จะละเอียดไม่หยาบคลายบางคนปฏิบัติแล้วสิบปียี่สปียังหยาบคลายอยู่ ก็หยาบคลายอยู่มันไม่ใช่ให้มันลเอียดก่อนเหมือนหลวงตาสอนพระให้ทำงานกวดบ้านให้ดูซิหลังองคก็กวดบ้านก็กวดไม่เป็นไม่ดูทิศทางลงก่อนระหว่างกวดไปมันทําให้ฝุ่นคลุ้งมันก็ตกที่เก่าคือไม่ละเอียดไม่สุขุมไม่รอบครอบก็ไปบอกวิธีกวดว่านนะ ก็วกวดโบราณว่ากลางคืนกวดเข้ากลางวันกวดออกโบราณพ่อแม่สอนลูกกลางคืนกวดเข้าไปบางทีแม่เย็บเข็มเย็บผ้าจะเพิ่งกวดออกเขีวบ้านกวดไปไว้ที่ใดที่หนึ่งตอนเจ้ามาไปดูมาเห็นเข็มเข็มเล่มเดียวก็เสียดายนะคนโบราณ น, นะหลวตาเคยมีไม่ขีดไปอ่ะ แค่เนานเล็กเล็ก น, น้อยมันหลุดออกไปก็เสียดายคนทุกวันเนี่ไม่เสียดายอนะไรทิ้งแค่ในช่างตีตะปูเนี่ยดัดตะปูไม่เป็นถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งแต่ก่อนโอ้ยตะปูตกลงที่น่อดไปหาเหยียบยญ้าหาแช่ไหมหลวงพ่อกรมตะปูเนาะทีว่ามันหลุดลงไปไหมบ่ไปหา มาหาช่วยด้วยแต่ปูมันเล่นมาต้องเหยียบยาไม่เห็นแต่ปูดอกนั่นแหละไม่ยอมหาจะได้ทุกวันได้ทิ่งควางซื้อมาสองลังตีได้ลังเดียวเนอกด้านทิ่งไปเลยอ่ก็ตอนเช่าตอนเย็นกวดเข้าตอนเช่ากวดดอกการกวดบ้านต้องระหว่างเอาไม้กวดขึ้นมาอย่าอย่าห้ามันอ ะ, ะไรอะไรมันกระทบมัจะปิ้วขึ้นมากวดไปเนิดเนเนิดเ น, ดนด ใจมันละเอียดเราตาอะไรเขียนไว้เวลาเมีงานล่างแก้วล่างใจด้วยเหไหล่างถ้วยล่างใจด้วยล่างชามล่างใจด้วยมันละเอียดอ่อนมันป่านี้มาจากง้นขา ม, มาเช่นแม่เลี้ยงลกูกเวลาให้ลกูกจะนมยี่ยมให้ลูกดูพูดใบใบเยี่ยมหัวพูดปากเป่าปากเาปากเา่าลูกก็มองหน้าแม่ เห็นหน้ามายี่ยมก็หัดยี่้มไปกับแม่ให้มันปลาเนตรมันถึงกิตถึงใจมันเป็นการสัมผัสได้ในการสอนตัวเองสอนคนอื่นแม้จะเราจะช่วยคนตายก็มนกันเราต้องแสดงความเอาใจใส่แสดงความรักแสดงไม่ปล่อยให้ว่าเวไม่ทำอะไรที่ ทำห้คนป่วยเสียอกเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจไปด้วยอันนี้เราทํางานก็เมืนเราทํากับตัวเองก็เหมือกันบางที่ต้องสุขโผลบครอบชั่มพีรภาพเห็นความทุกข์ยาปฏิเสธอยาปฏิเสธไปอย่างนี้นอ้องความทุกข์ความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็รู้สึกตัวอย่างนี้อย่างนี้มันละเอียดละเอียดไป มันกวดบ้างก็สะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีกละเอียดมันก็ล่าไปละไปบางทีก็พบเดียวได้ความโกรธโกรธทีเดียวไปได้เลยเพราะมันละเอียดความทุกข์ทุกทีเดียวไปได้เลยไวที่สุดเลยไวกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดก็ไม่ค่อยสะอาด ความหลงก็ไม่สะอาดจากิกติความทุกข์ไม่สอาดจากิกติความโกรธไม่สาดจากิกติความโลภความหลงความรักความจังไม่สาดาั่ตติยังค้างคาจิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลยยังมีฝุ่นม่มีสิ่งที่เกาะอยู่เพราะนั้นที่จะถึงมรรคถึงผลมันต้องเรียบนะถ้ามรรคผลนิพพานมันเหมือนกับสุกโตดี จะขึ้นมาดีได้เขาก็ต้องสร้างทางให้เรียบขึ้นมาปราบให้เรียบให้เรียบให้ให้ให้ลาดสักหน่อยไม่ใช่เป็นหน้าผาหากลำผ้าด้วยเขาการเบบัรรมไม่ใช่เอาเจียงเอาจังสองวันสามวันหากํำผ้าด้วยเขามันไม่หกกักตกขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้ต้องให้มันเรียบก่อนอันแล้วความช่วทางความดีมันก็เหมือนกันเรื่องเรียบก่อนมันง่ายง่าย วิธีทําให้เรียบคือสตินี่แหละปราบเลยใบมีดรถแท็กเตอร์ปราบลงไปรูมันลงไปรอบแ ล, ล, ล, ล, ล, ล้วรอบเรารูแล้วรูแล้วมันก็ก็ใช่แล้วเป็นทางไปแล้วรูเท่าไหร่ก็เป็นทางไปที่นั้นร้อยร้อ ย, อย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเนี้ยสารพัดสารเพมีตัวรูตัวเดียวไปเลย เราจะงานสบายมากให้มันผ่านได้แตมา่อคนได้ผ่านเหนือการเกิดเจริญตายต้องเรียบต้องเนี่ยตั้งแต่ต้นนี่ยไปคือรู้ไปรู้ไปรู้แล้วไม่เป็นไม่ให้คนข่าอะไรมันรู้ก็ไม่คนข้าความรู้มันไม่รู้ก็ไม่คนข้าความไม่รู้มันฉุกก็ไม่คนข้าความฉุกหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดิมแหละชาตินี้นะ่ะพอจะบอกพูดจย่างนี้นะ มันทุกข์ก็อย่าให้ข้าเป็นทุกข์มันหลงก็อย่าใข้าความหลงใครไม่ตัวรู้มากกว่าเหนือคนข่าใดๆเลยทีเดียวการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเดินทางในทางนี้ไปอจากความชั่วไปสู่ความดีถึงมรรคผลที่ผ่านทันทีเลยอย่าทําอะไรเป็นพิธีเป็นรูปแบบเฉย สมัยก่อนแม่แต่เพ่งกล่องลูกก็ไปนี่ผ่านได้นี่หลวงตาเนี่ยทําห ว, วัฒธรรมที่วัดปู่เขาทองว่าจะรวบรวมวัฒธรรมต่างๆไปบันทึกไปเขียนไว้ติดฝากำลังจะปรึกษาอาจารย์ตุ้มอาจารย์ทรงศิลจะทาไงดีอย่างน้อยก็เพลงกล่องลูกไปเขียนไว้มีไหม ย่ายยมทั้งหลายมีไหมเพ็งกล่อมลูกคนเจ็ดปีแปดปีคงมีนะคนสามปีนี่ไม่มีหรอกสมัยนี้มีไหมเนี่ยไม่ไม่มีร้องตานี่ก็เกิดมาในยุคได้ยินเสียงเพ่งกล่อมลูกอยากฟังไหมจะร้องให้ฟัง <laughs> เออเอเอนอนจะไรด่ารับตาแม่จิก้อง แม่ไป๋ให้หมกไข่มาหาแม่ไปนหน้าหมกป่ามาปนแม่ยังมอดโอ้เรืมอมเอปิดนอนได้ล่ะรับตาแม่สิกองนอนดูผ่าสามว่าแม่เจ้าตำนอนดูไม่สามป้องพ่อเจ้าสารเงี้ยบอ่ะแม่ไมป๋ให้หมกไข่มาหาแม่ไป๋นหนาหมกป่ามาปน ไอ้เรงมอญอยู่ในป่าสวนมอนสวนมอนเอ้ยป้องใบเป็นกา้านเอ้ยผู้อยู่บ้านป้องเปลกเป็นทางเออเออเอเอเรองของโลกเออเราตาได้ยินไหมเรื่องไปทไํทาไร่ตามนอ้นเสียงแม่เสียงอะน้องสาวมันกอมน้องหลานลูกพี่สาวลูกแม่จุดเนี่ยมันน่าจากผู้ดับผู้ใหญ่บรงกอมดังไปทั่วทุ่งเลย อก็ใจเจ็นก็จำเอาเออเออฝนตกหงส์จอพ้นสมเาเปียกน้อหวัดถงวัดหนองควงควงดินแห้งไง้ผมกระคันแขนแล้ว อ, อ, ลอ่ะ ย, ยังหละรวะเจ็บสง์สารกลางดงกว่าถงขี่ข้ขานแล้วกลางบ้านก็ว่าดงเอ <c oughs> อแ้่ฟังไต่เขาก็ว่า เออเออมะพร้าวนาฬิกาการทะเลขีเพึ่งฝนตกไปต้องไปลองไม่ถึงถึงได้ทั้งหมดบาปบุลเดยเออเอเอใช่ไหมใครเป็นภาคใต้เนี่ยมีไหมอาจารย์พุทธาทำต้นมะพร้าวกลางสะไปดูก็ได้มะพร้าวนาฬิกาแพงกล่องลูกมะพร้าวนาฬิกาการทะเลขี้พึง่ง ทำไมอยู่กลางขี้พึ่งต้งนมะพรา้าวหมายถึงมรรคนลิพานขี้พึ่งคืออะไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจออความโกรธความโลภความหลงความรักความชังมันเป็นขี้พึ่งมันลอยยอกมันดีใจมันสุขวันทุกข์ความสุขเป็นทะเลความทุกข์เป็นทะเล ผู้จะไปถึงได้ต้องหมดบาปบุญโดยความทุกข์เป็นบาปความสุขเป็นบุญถ้ายังมีบุญเป็นบาปยังมีดีใจเสียใจอยู่ก็ไปถึงทะเลอาจจะถึงไม่ถึงมะพร้าวมาได้ไม่ได้กินมะพร้าวหมายถึงมรรคผลในปานเราจึงต้องลาดตั้งแต่เนี้ยวรู้จากตัวไม่เป็นอะไรมันสกนนนุกก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันวันลู้เห็นมันมันหลงก็เห็นมัน พอมาฝนตกห้องจอมพนจะมาเปียกปัดหัวดองกว่วงๆสว่าแห่งดินตินแห่งไงอง้ผมจอมพนคืออะไรคือผู้มีจิตใจสูงแล้วหลงตาเทพอย่างนี้ไม่เหงื่อหงายหัวนอนใจมันสูงฟังอยู่เปียกไหมได้เย็นไหมโอ้หลงตาบอกว่ามันสุขก็โดนมันทุกข์ก็เห็นอยากเข้าไปเป็น มันเปียกแล้วถ้าเปียงนั้นเอาไปทำแล้วใช่ไหมวัดบึงน้องกวงๆเดิแนแหงไงผงจิตใจต่ำๆงวดคิดคุนคิดไปถึงโน่นถึงนี้ไปมันไม่สูงมันต่ำอยู่ไปลักไปชังใครอารมณ์ข้างมาจากไหนเหมือนน่ะมานกจีบหกคนน่ะไปกราบทูลถามบัญหาพระเจ้าพรา้อมครูอาจารย์ใช่ให้ไปไปโต้อลองดูสิ ว่าสำนักสาไกวงออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามาลูกแค่ไหนให้พวกเธอไปถามปัญหาสิบกข้อเนี่ยข้อละคนไปถามดูสิถ้าคำถามนี้ตอบไม่ได้เราก็อย่าไปเคารพน้ำถือมานุศิบกคนเนี่เลือกไปมีแต่ยอดยอดปัญญาท้งนั้นไปทนถามปัญหาพูเจ้าบุคคลที่หนึ่งที่สองมานุบกคนที่หนึ่งที่สองที่สามพระเจ้าเฉลยไปได้หมดบุคคล ที่สิบหกพอคำถามที่ทั้งหมดต่อมาแล้วคนที่สิบหกน่ะก็าถามปัญหาตอบไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ ป, ปัญญาปัญยนมากจำไม่ได้ตั้งแต่ปรากฏว่าคนที่สิบหกอ่ะไม่บรรลุธรรมเลยทำไมไม่บรรลุธรรมอ่ะมัวคิดถึงหลุง ลุงเป็นนักบวชอยู่กับอาจารย์โนนห่วงลุงโอ้อยากให้ลุงมาฟังเดอ้ออยากให้ลุงมาฟังไปเล้ะที่จุดเลยพระพุทธเจ้าตอบปัญหาแน่คิดถึงลุงเลยไม่ได้บรูุ้ธรรมเลยบ่ชคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะ น, นั่นเลยไม่ใส่ใจมันเหนอือนะผู้หลักผู้ใหญ่แ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะ้เขงห้วยหนองนะ่ะหมายถึง แทนที่จะน้ำคงน้ำขังได้เลยไม่ขังสะหน่อยเลยเข้าหัวใช่ข อ, องหัวไปเลยไม่เปียกเลแห้งอยู่ใช่ไหมแห้งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันใจระสงสางกลางดงกะวาทงขี้ข้านแล้วกลางบ้านกะวาดงเออเออเอเอถ้าใจไปสงสางแล้วไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยอ่า ไม่กลัวอะไรในชีวิตเราเนี่ยสร้างสติมันง่ายมันจะยากขนาดไหนไม่เอามาอ้างเดี๋ยวก็โอ้ยไม่ลูกมีหลานมีบ้านไม่ช่องมีพะละป่าดงอันนันแม้จะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็สร้างมันลงไปได้ว่าเห็นป่าก็คิดว่าทุ่งไปเลยไม่คิดว่ายากเลยถ้าขี้เกียจที่ข้านแล้ว มันง่ายง่ายเนี่ยอันตัวลูกกับตัวหลงมันไม่ไม่เหมือนกันตัวทุกข์กับตัวลูกมันก็ไม่เหมือนกันนะตัวลูกเป็นของ ง, ง่ายง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่าตัวทุกข์ก็เป็นของง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่ามันง่ายมันเป็นทุ่งอยู่แล้วเราเรียกว่าดงมันไปยากนะของยากคิดเป็นของง่ายหรือว่าคนที่จิตใจต่ำหน่อยทำชั่วได้ง่ายทําดีได้ยาก เรื่องกลางบ้านไปแทรกกันนึกว่าทุ่งไปโบราณกล่องลูกถ้าใครมีอะไรดีๆก็มาบอกด้วยจะไปเขียนไว้จะไปะรวบรวมวัฒนธรรมคนมโบราณกันเราไว้ถ้าทำเมันหอทำเกินา่าให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าโอ้คนโบราณเขาทำอย่างนี้เราเขียนอย่างนี้มีการสอนธรรมะตั้งแต่กล่องลูกแล้วคูดกันมากในผ่านเนี่ย ข้าร้อนร้อนโลกแอวเจนเข้าแม่บอกว่าให้เข้าวในพานก่อนนะข้าวในพานก่อนบางทีหัดช่างหัดว่าตาช่างมันหมดประโยชน์ร่าช่างหมดช่างได้นิได้นิพานแล้วเย็นแล้ ว, ลวไม่มีพิษไม่ไแล้วมาไม่ประโยชน์สอนได้ก็นิพานแล้วเย็นลงแล้วมีคำพูดกับนิพานในทุกๆุกอย่างที่เป็นความร้อนความปัญหาอันตราย นิพพานนะคือความเย็นลงจนไม่มีพิษไม่ภัยเนี่นะมันจะยากขนาดไหนละอ่อเย็นที่ใจที่ใจเราเดียมันไปอยู่ตรงไหนเหมือนเหมือนอะลักฟรามาไฟไมมเมืองลังกาไฟมันเกิดที่ไหนละ่ะอยู่ที่หางยที่หางอนุมานอนุมานต้องวิ่งไปเลยต้องคนดับไฟทั้งมาทั้งมางเลย มันดำไม่ยากเพียงแต่บอกกันทุกนานแบบเอาหางที่ไปลูกอย่างนั้นมาอมซะเขาก็หมดทนทีเลยคนเราก็กรำทำเขียนทั่วบ้านทั่วเ ม, มางไม่อยู่ที่ใดยอยู่ที่คนเราเอาบ้านดับมันจ้ะมันเย็นชะเย็นเดี๋ยวนี้เขาจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้าทุกคนนะด้วยค้ามนี่ก็สมควรเจ <c oughs> รจากราภพกัน